เสร็จ แ, แล้วก็ถามใหม่ว่าเนี่ยตอนนี้ใครคิดว่าอามีความสุขบ้างคนก็ยกมือกันเกือบทั้งห้องเลยนแต่นี้เราก็ถามตอว่าใครตอนนี้มีความทุกข์บ้างก็มีนะมียกมือปมาณสองสมคนมีหนุ่มคนนึงก็บอกว่าเขามีความทุกข์ถามก็ทุกเรื่องอะไรก็พูดั้นๆว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยนะทุกข์ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ย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 เขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเอาเงินแบ่งให้เรานะสนับสนุนจุนเจือเราแล้ ว, ว่าเขาเป็นคนดีนะทางที่เขาจะเป็นคนเอาเปรียบคดโกงนะหรือว่าอา่เป็นคนที่อ่ชอบรังแกผู้อื่นหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้คนดีถ้าเราเห็นแต่แง่ไม่ดีของเขาเข้ากลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของเราไอ้ส่วนคนดี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 นางขณิการนี่มากับลูกค้านะอยู่บนรถม้าแล่นผ่านพระลกุลตกะพรทิยะชื่อิงจริงท่านคือท่านพทิยะนั่นแหละแต่ว่าพรทิยะเนี่ยในสายวการมีหลายรูป ก, ก็เลยมีชื่อเรียกให้จำเพาะหน่อก็เติมลกุลตกะเข้าไปท่านเป็นพระที่รูปร่างเตี้ยเล็กๆน่ารักนางขณิกาเห็นก็ยิ้ม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 เมื่อกี้ตาในพูดถึงเอาไว้ช่วยเอาไว้ใช้มองสิ่งภายนอกมองสิ่งภายนอกแล้วก็เห็นเป็นธรรมะมันยัมีตาในอันนึ้งนะตาในที่เอาไว้ดูนะตามดูรู้ทันความรู้สึกในคิดในใจเราไอ้ตาในตัวนี้ก็สาคัญนะอันนี้เราเรียกว่าสตินะตาในตัวที่ใช้มองสิ่งภายนอกเนี่ยเราเรียกว่าปัญญาหรือว่าโยนิโสมนสิ ก, การนะ เอาไว้มองข้างนอกมองนอกแล้วก็ถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมส่วนตาในเนี่ยเอาไว้นะเพื่อให้เรารู้เท่าทันนะความสูงนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้งเอามาใช้นะในการมองกายด้วยนะก็คือตามดูรู้ทันกายการเจริสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสีเนี่นะสติที่ว่าเนี่นะก็คือตาในที่เราต้องฝึกนะ ว่าถ้าเราฝึกเอาไว้ดีเนี่ยเวลาเรานะเวลากายเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้นะว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเราเดินเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสตินะก็ไม่รู้ตัวว่ากําลังเดินนะมันไม่มีความสึกเลยตื่นซ้ําว่ากําลังเดินเพราะใจลอยนะใจลอยยิ่งยิ่งกำลังคุณคิดเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่รู้ตัวเลยนะว่ากําลังเดินอยู่ บางทีเดินหกล้มนะยังไม่รู้ตัวหกล้มนะมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะที่ประเทศเยอรมันนะเมืองก็ติงเกนนี่เป็นเมืองที่มีพวกนักปราดพวกสติเฟื่องนี่เยอะมากเนะมื่อประมาณสักเกือบร้อยปีที่แล้วมีคนหนึ่งเขากำลังคิดเรื่องทฤษฎีสมการคณิตศาสตร์ยอยู่เดินมันถนนก็คิดไปใจลอยไปบอกว่าเดินสะดุดหกล้มนะเาเป็นคนแก่ ก็ไม่เชิงแก่แนละ้วก็วัยกลางคนแหละคนที่อยู่บนถนนพอเห็นเขาล้มเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยประคองเขาขึ้นมาแทนที่เขาจะขอบคุณเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันกําลังอกําลังบุ่นอยู่นะฉันยังไม่ว่างอย่ามายุ่งกับฉันเขาไม่รู้ตัวจะซ้ำว่าเขาเนี่ยหกล้มไปแล้วหรือเขากำลังนอนกองกับพื้นนะแต่เขารู้ว่าเนี่ยคนมามากุมหลุมเขาเขาก็ลาคาบเพราะกำลังคิดนะ กำลคิดได้ถึงจุดพอดีนะอันนี้เราไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจเนี่ยมันอยู่อยู่กับความคิดมากนะแล้วก็เป็นความคิดที่มีสมาธิมากด้วซ้ํานะแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงตรงนั้นเองที่เขาคิดทฤษฎีหรือสมการนะคณิตศาสตร์ออกมาได้อันนี้เราว่าคนเราเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าถ้าเราไม่มีสตินะแม้กายเคลื่อนไหวนะก็ไม่รับรู้นะ หรว่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนใช้ว่าไม่รู้สึกยกมือเนี่ยก็ไม่รู้สึกนะเพราะใจลอยเดินก็ไม่รู้สึกนะเพราะว่าใจลอยหรือว่ากําลังโมโหกําลังถูกอารมณ์ต่างๆคร่อบงาแต่ใจในเนี่ยตาตานเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้เราอารู้ตัวเวลากายเคลื่อนไหวแต่เวลาใจเนี่ยมันคิดนึกอะไรไปเนี่ยก็จะรู้ รู้ทันนะไอ้ความคิดและความรู้สึกเนี่ยหรืออารมณ์เนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นในใจล้วแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้ทันนะมันก็พาเรานะเข้าระข้อพงได้เหมือนกันนะอย่างนะถ้าเราคิดถึงคนที่เราเกลียดนะคิดถึงคนที่เขารังแกเรานะมันก็จะเกิดความเครียดแค้นเกิดความโกรธขึ้นมา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 ทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจนะบางทีมันเห็นของบางอย่างอยากได้ยิ่งถ้าตอนนั้นกาลังร้อนเงินนะไม่มีเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่หรือว่ามไม่มีเงินไปส่งลูกไปโรงเรียนกำลังร้อนเงินนะเห็นเงินหรือว่าเห็นโทรศัพท์หรือว่ า, าเห็นสมบัติของใครสักคนเนี่ยอยู่ใกล้ ความอยากมันเกิดขึ้นแลทํถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็สั่งให้เราฉ่วยนะหยิบของนั้นนะจะเป็นจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นสมบัติของใครก็ตามเนี่ยเสร็จแล้วเป็นยังไงถูกจับได้นะก็ติดคุกติดตลางนะหรือว่าถึงจะไม่มีใครรู้นะแต่ว่าก็เดือดร้อนใจจะไปคืนก็ไม่กล้านะกลัวเ็าจับได้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 หรือวไปเบียดเบียนใครให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาไอ้ตาในเนี่ยนะมันยังช่วยทําให้เราได้เห็นนะเห็นความจริงของกายและใจ ด, ด้วยนะตาในคือสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจนะถ้าเรามีสติดูกายมีสติดูใจนะมันก็จะเห็นความจริงนะที่กายและใจมันแสดงออกมานะเห็นอย่างเบื้องต้นก็คือเห็นว่า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 แล้วก็ไม่สามารถจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าเดิเหมือนกันถ้าเราไม่มีตาในที่ใช้เอามาดูกายและใจนะตาในที่ใช้มองนอกนะจนเห็นธรรมแล้วก็ตาในที่ใช้ดูกายและใจนะจนเห็นธรรมเนี่ยอันนี้มันเป็นนะเป็นสองตาหนที่สำคัญนะ อ, นอันแรกเราก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ได้เรียกปัญญาก็ได้นะอันที่สองเ ร, เรียกว่าสตินะอ่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็ต้องถาม ตัวเรานะว่าเออตาในของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไหมเรามีตานในเอาไว้เป็นที่พึ่งพางอาศัยหรือเปล่านะหรือว่าเอาแต่ทําบุญให้ทานรักษาศีล น, นะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาตาในขึ้นมาทั้งโยนิสม์นัสิการนะเอาไว้ใช้มองนะมองธรรมะจากสรรพสิ่งนะที่เราเห็นทางตาทางหูหรือว่าทางจมูกได้ซ้ำนะส่วนกายและใจ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 เอาละคำเดียวเพื่อเท่านี้นะกราบครบ